เนื่องจากเวลานี้เป็นเวลาที่มารวมกันอยู่ที่ศาลากา ร, ปรเปรียนนี้เพื่อที่จะฝึกกายฝึกจิตนี้ให้สงบระงับกายขนนั่งนิ่งนิ่งไม่ไหวติง เนม่มาให้ง่วงเหงาหาวนอนเมื่อกายนิ่งได้ยังจิตใจก็ทำจิตให้นิ่งต่อไปพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านัติสันติปรังสุขขังแปลว่าสุขอื่นยิ่งไปกว่าความสงบไม่มี ันราความสุขในโลกมีอยู่เช่นผลไม้สุขมันก็มีรสหวานดีแต่มันก็หวานชั่วระยะปลายลิ้นเท่านั้นแหละเมื่อผ่านลงไปสู่กระเพาะแล้วความหวานนั้นมันก็หายไปความสุขอัน เกิดจากการกินอาหารอิ่มน้ำสำลาญการได้นอนหลับสนิทสบายดีการมีเงินใช้สอยไม่ขัดสนมีเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆครบตามกระบวนการของโลกสมัยปัจจุบัน ไอ้โมนี้มันก็เป็นความสุขชั่วคราวทั้งนั้นแหละบุคคลมาติดอยู่ในความสุขเหล่านี้แหละจึงพ้นจากทุกขไปไม่ได้สุขเหล่านี้เป็นเหยื่อร่อให้ติดอยู่ในทุก์ดังนั้นพู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายให้เพึ่งเข้าใจกัน เหตุดังนั้นนะ่ะการฝึกการอบรมกันจึงต้องฝึกให้ตื่นดึกลุกเช้าต้องให้ทำข้อวัดปฏิบัติให้ตรงตามเวลาหมู่นี้มันก็ล้วนแต่ฝึกให้คนเรานั้นมีจิตใจตั้งมั่นต่อความดี มีสติ ส, มสัมปชัญญะเตือนใจเขาตนให้ตื่นตัวอยู่เสมอว่าความตายนั่นเน่มันไม่มีกำหนดหมายเลยหมดมันจะตายมาคุปปับมันเอาไปเลยก็มีชีวิตนี้เนี่ยมันฝากไว้กับความตายไม่เช่เป็นของเราอะไรจริงจัง ดวงกิจที่มาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองส่วระยะบุญกรรมที่อุปถัมภ์บำรุงอยู่เท่านั้นเมื่อหมดบุญหมดกรรมอันนี้ลงไปแล้วรูปร่างอันนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้เลยดังนั้นผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงไม่นิ่งนอนใจ จึงรีบเร่งทำความเพียรละกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไปในสงสารเนี่ยไม่รู้จักจบจากสิน้นยงเพียรละความโลภโดยการให้การบริจาคทานเพียรละความโกรธโดยการเจริญเมตตากรุณาเสมอเสมอ จนว่าจิตใจมองเห็นสัตว์ทั้งหลายนี่เนะี่ยเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่ควรที่จะไปเบียดเบียนมันหรือเขาจริญเมตตานะจนให้มองเห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างว่านั่นเนี่ยนะนะมันก็จะได้งดเว้นจากการเบียดเบียนก็สมทานมั่นในศีล ได้อย่างมั่นคงถ้าไม่มีเมตตาธรรมกรุณาธรรมนี่แล้วศีลก็รักษาให้บริสุทธิ์ไม่ได้ไม่มีคุณธรรมสนับสนุนแล้วอย่างนี้เนะี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยศีลจะบริสุทธิ์ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น เราเป็นชาวพุทธนะพระพุทธเจ้าทรงแนะอุบายแนยวทางคำจัดกิเลสบาปธรรมออกจากกิตใจยอย่างนี้แล้วเราจะไปปล่อยให้วันเวลาล่วงไปเสียเปล่านั้นมันก็ไม่สมควรเลยเพราะว่ากิเลสเหล่านั้นมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงๆอย่างความโกรธอย่างนี้ เมื่อมันโกรธเข้ามาแล้วมันก็แสดงกิริยากายวาจาอันชั่วหยาบออกไปมันก็เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรติดตัวแล้วนั่นนะแต่คนเรามันไม่รู้หรอกว่ากรรมเวรอันนั้นมันติดตัวไปเหตุทางนั้นน่ะมันถึงไม่ยอมปฏิบัติตามคำสอนมันจะไม่ห้ามจิตใจตัวเอง เวลามันอยากโกรธขึ้นมามันก็ปล่อยให้มันโกรธถ้าเต็มที่เท่นนี้แล้วมันจะมให้กรรมเวรติดตามไปสนองให้เป็นทุกข์อย่างไรได้เลาแถ้า ต, ตัวเองไปสร้างกรรมสร้างเวรขึ้นให้แก่ตัวเอง <c oughs> ดังนั้นน่ะจึงควรพินิษพิจารณาให้เห็นคุณอ น, นุภาพแห่งข้อปฏิบัติเหล่านี้ด้วยตนเองให้เห็นอนุภาพแห่งการภาวนาว่าการภาวนาเนี่ย มันทำใจให้สงบระงับจากกิเลสเหล่านั้นแหละไม่ใช่อย่างอื่นใดเราพยายามทำใจสงบก็เพื่อไม่ให้มันปรุงแต่งกิเลสหรือความโลภความโกรธให้เกิดขึ้นในใจนี้เองพยายามใช้ปัญญาสอนใจนี่ ให้เห็นโทษแห่งความโลภความโกรธเราเนี่ยเห็นโทษแห่งความหลงความเข้าใจผิดต่างๆเนี่ยมันทำให้คนเราเดินทางผิดเพราะว่ากายวาจานี่มันมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานถ้าใจเห็นผิดแล้วมันก็ใช่กาย ใช่วาจาทำผิดพูดผิดจากทำนองคองทาไป่อง น, นี้แหละสิ่นบางคนก็เห็นไปว่าการฆ่าสัตว์นี่ไม่เป็นบาปหรอกแต่ว่าฆ่าสัตว์ที่เป็นอาหารนะสัตว์อะไรที่ไม่เป็นอาหารอย่าไปฆ่ามัน เพราะว่าชีวิตของมนุษย์เราเนี่มันอยู่ด้วยกับเนื้อสัตว์ถ้าไม่ได้รับประทานเนื้อสัตว์แล้วมันจะอยู่ไม่ได้ไอของมือนเมาต่างๆมีสุราเมลัยหมนี่ก็เป็นของประดับโลกถ้าไม่มีน้ำพันนี้คนเราก็หง่อยเหงา เศ้าใจหาความสุขสบายไม่ได้เมื่อมีน้ำพันนี้หล่อเลี้ยงเข้าไปแล้วมีความสนุกสนานลื่นเริงบันเทิงใจดีหรือว่าได้ไปเล่นชู้กับเมียของคนอื่นหรือผัวคนอื่นมูนี่เห็นว่ามันเป็นเรื่องสนุกสนานที่ อันนูนี่แหละมันล้วนแต่เป็นความเข้าใจผิดทั้งนั้นเลยถ้าบุคคลเข้าใจถูกต้องแล้วจะไม่ทำเป็นเด็ดขาดเลยเช่นอย่างข้อที่หนึ่งนั่นอย่างนี้นะสัตว์ทั้งหลายนะ่ะมันขานอาสามาเป็นอาหารของมนุษย์หรือไม่มันประกาศเมื่อไหร่นี่ มันไม่มีใครจะตอบได้เลยตอนนี้นะมันว่ากันเอาเฉยๆนี่สทั้งหลายย่อมกลัวตายรักชีวิตของตนเหมือนกันหมดทุกชนิดเล ย, เยใครๆก็ไม่อยากให้ใครมาทำร้ายตนมาเบียดเบียนตน <c oughs> แม่ตัวของตัวเองก็ลองคิดดู รักชีวิตของตัวเองไม่อยากให้ใครมาเบียดเบียนเลยอย่าว่าแต่ตกตีเลยแม้แต่ด่าว่าด้วยวาจาก็เจ็บใจเต็มทีอยู่แล้วนีนะ่เพราะฉะนั้นผูใ้ใดไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็จึงชื่อว่าเป็นผู้เอาเปรียบบุคคลอื่นและสัตว์อื่น เห็นว่าตนมีอำนาจเหนือเขาก็ทำได้ทำเอาเมืแบบ่อทีเขามาทำตนตนก็ไม่ปรารถนาจะให้เขาทำหาทางต่อสู้ไอ้หมู่นี้มันควรคิดควรพิจารณาให้รู้ให้เห็นการต่อสู้การเบียดเบียนซึ่งกันและกัน มันก็เป็นกรรมเป็นเวรตามสนองกันไปชาติแล้วก็ชาติเราดังเราจะเห็นได้ปัจจุบันนี่แหละทำไมค น, นึงฆ่ากันนักหนามันไม่ใช่ว่ามันฆ่ากันโดยไม่มีเหตุปัจจัยมันเหตุในหนลังมาสมทบกับเหตุในปัจจุบันด้วย เหตุในปัจจุบันต่างคนต่างไม่มีศีลไม่สำรวมกายวาจาพูดกระทบกระทั่งกันเข้าแสดงกิริยาหลาบหยาบคายต่อกันและกันประกอบกับกรคมเก่าที่ได้ทำมาแต่ก่อนนั่นเคยได้เบียดเบียนกันมามันก็มาหนุนตรงให้มีความโกรธความอยยบาติขึ้นอย่างรุนแรงเนี่ยก็ได้ลงมือประหัตประหารกัน ใครดีก็ใครอยู่ใครไม่ดีก็าตายไปบางทีมันก็ลอบกัดเอาโดยเจ้าตัวไม่รู้เลยอันหมูนี้่มันไม่ใช่ว่าอาศัยแต่เหตุปัจจุบันนะอาศัยเหตุในอดีตที่ล่วงแล้วมาแต่ก่อนผู้ที่ถูกเขาฆ่าตาย ผู้นั้นก็กคงไปฆ่าเขามาแต่ก่อนนะนั่นนะกรรมนั้นก็ติดต่อย่อ้ตามมามาถึงในชาตินี้มันถึงเวลามันให้ผลเวลาใดมันก็โดนบันดาลให้คนอื่นเขามาฆ่าตัวเองตายเสียก็เป็นอยู่อย่างนี้หนึ่งบุคคลผู้ไม่มีศีล น, นะไม่สำรวมในศีลแล้ว มันก็มีต่การเบียดเบียนซึ่งกันและกันนะแต่อยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าอัพยาปาชังสุขขังโลเกปานภูเตสุสั ญ, ญโมความสํารวมในสัตว์คือความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นสุขในโลกสุขฆาวิราคาตาโลเก กามานังสมติกะโมความสิ้นไปแห่งราคะคือความร่วงกามเสียได้เป็นสุขในโลกนี่พูดถึงความสุขที่พระบรมศาสดาทรงตรัสไว้นะให้พิจารณาดูพระองค์เจ้าทรงสรรเสริญว่า บุคคลผู้ใดไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนั้นผู้นั้นย่อมเป็นสุขสบายมากแม้ยังจะไปเกิดในภพด้อยภพใหญ่ต่อไปมันก็ไม่มีกรรมชั่วเวีนชั่วติดตามสนองให้เป็นทุกข์ต่อไปเกิดชาติใดก็มีอายุยืนยาวนานไปจนตลอดถึงอายุไขจึงค่อยตาย เพราะไม่มีกรรมชั่วมาตัดรอนชีวิตในระหว่างไอบุคคลผู้ภาคเื้นไม่ยามละความกำหนัดยินดีให้เบาบางออกไปจากกิจใจได้เท่าไรความไม่ผัวพันในกรรมเมื่อคุณหรือว่ากิเลสตะกรรมกิเลสตกรรมได้แก่เรื่องผัวๆัวเมียเมียนั่นแหละ การมาคุณทางห้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆพวกนี้ผู้ใ ด, ดเอากายออกห่างเอาใจออกห่างเอาวาจาออกห่างได้ผู้นั้นเป็นสุขในโลกพระศาสราทรงกิ่าวไว้น ะ, ะก็เป็นความจริงเลยจะไม่จริงอย่างไรอะ่ะบุคคลผู้ ร, ราคะความกำนัดยินดีได้โทสะก็ไม่เกิดโมหะความหลงก็ไม่เกิดเพราะความกำนัดยินดีเนี่ยทำให้คนเราหลงมัวเมาไปในทางที่ผิดสินผิดธรร ม, มทำให้เกิดการแย่งชิงกันโกรธกันประหัดประหารกัน มูลนี้มันก็ร่วนแต่เกิดจากราคะความกำนัดยินดีนี้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ครองเรือนได้คนบรรเทาถึงละไม่ขาดหมดก็ให้มันบรรเทาว่าวางลงอย่าให้ประพฤติผิดสินข้อที่สามก็แล้วกันก็ยังนับว่า เป็นความดีความชอบของผู้ครองเรือนแต่สำหรับผู้เป็นนักบวชแล้วต้องเว้นทั้งทางกายทั้งทางวาจาในทาง จ, จิตใจโดย ก, การทั้งพวง ก, กายก็ไม่แสดงมายาสาไถในเชิงรักเชิงใครการพูดจาภาษาอะไรก็ไม่ แสดงบทมายาสาธิออกไปต่อเพศตรงกันข้ามภายในจิตใจก็สำรวมระวังอย่าให้ความกำนัดครอบงำจิตใจได้โดยมาพิจารณาเห็นร่างกายทุกกระเบียดนิ้วน่วนแต่เป็นของไม่มีอะไรสวยงามอาศัยหนังหุ้มหอยอยู่เท่านั้นเอง จึงสิ่งโสโคกยังไม่ปรากฏออกมาถ้าสมมติว่าลอกหนังนี่ออกลองดูสิน่าดูเหรือรูปร่างอันเนี้ยอไม่มีอะไรน่าดูสักหน่อยเดียวเลยมันพอน่าดูอยู่ได้นี่อาศัยหนังหุ้มอยู่เท่านั้นเองนะอืแล้วก็มีเลือดวิ่งผ่านตามเนื้อตามหนังอันนี้แหละทําให้เกิด ผิวพันธุ์เปล่งฟังขึ้นมาเห็นเข้าแล้วก็ชอกใจที่แท้สีของเลือดต่างหากเลือดมันวิ่งไปตามร่างกายนี้นะทำให้มีน้ำมีนวลขึ้นมาแต่ที่จริงแท้ก่อนธาตุน้ำนั่นแหละคือเลือดเลือดแดงก็มี응เลือดสีเหลืองก็มีเลือดขาวก็มี มันซึมซาบอยู่ในร่างกายทุกส่วนเนี่ยวันนี้ถ้าว่าผู้ใดเป็นโรคเลือดจางเข้าไปแล้วผิวพรรณก็ซูบซีดไม่เกลิงปรังเลยกำลังวังช้าได้กอดลดน้อยถอยเบาบางไปผู้คนผู้ฉะนั้นอ่ะไม่น่าดูเลยไม่น่าป่าทะนา อย่างนี้แหละลงพิจารณาดูถ้าผู้ใดามาเพ่งพิจารณาน่่งกายสังขาร ใ, ให้เห็นตามสภาพความจริงอย่างว่ามานี่ถ้าเป็นนักบวดก็คลายความกำหนัดยินดีออกไปเลยเรื่อยไม่ต้องการไม่ปรารถนามัน <c oughs> ผู้ใดเห็นร่างกายสังขารตามความเป็นจริงอยู่เสมอเสมอไปผู้นั้นย่อมประพฤติพรหมจรรย์ไปได้ตลอดลอดฟังถึงแม้ยังจะไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรแต่ความรู้สึกในใจนั้นเน่ะไม่ปารธนาในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเลยเพราะมองเห็นแล้ ว, วไม่มี ชิ้นส่วนตรงไหนที่ว่าสวยงามหรือว่าเที่ยงย่งยืนไม่มีเลยเป็นนักบวชต้องบำรุงความรู้ความเห็นนักกล่าวมานี่นหะให้เกิดให้มีขึ้นในใจอยู่เสมอเสมอไปอย่าไปมองเห็นตามความนิยมสมมติของชาวโลก ชาวโลกผู้ที่หมุกมุ่นอยู่ด้วยราคะตัณหามันก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นแหละว่ารูปนั้นสวยงามดีรูปนี้ขี้ไรเสียงนั้นไพเราะดีเสียงนี้ไม่ไพเราะอะไรทํำนองเนี้มันก็เลือกคัดจัดฉันกันไปอย่างนั้นตามความนิยมสมมติของโลก แต่แล้วทั้งรูปสวยและรูปไม่สวยเมื่อพูดถึงความจริงแล้วมันก็มีสภาวะอันเดียวกันคือมันเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรปวนแตกดับทาลายลงเหมือนกันหมดเลยไม่มีรูปใดที่จะสวยสดงดงามตลอดเวลาที่จะเที่ยงยั่งยืนอยู่ตลอดเวลาไม่มีเลยนี่ ถ้าเป็นถ้กปวดเราจำเป็นต้องพิจารณาเข้าถึงความจริงอยู่อย่างนี้เสมอไปอย่าพิจารณาหเห็นว่าเป็นของสวยของงามอย่างนั้นมันเป็นการยั่วให้เกิดราคะตัณหามันไม่เหมาะสมกับเพศสมณมอืม มันเป็นครืหัตมันจึงเหมาะสมแบบนั้นน่ะเมื่อกำหนดสินดีมา ก, ก็แสวงหามันไปไม่มีวินัยห้ามสมัยท้าวนนหัวได่มีวินัยห้ามเลยแม้แต่คิดในใจก็ปรับอาบัตได้เช่นไปคิดสรรเสริญรูปร่างของเพศตรงกันข้ามว่า ตั้งแต่บ้นเอวขึ้นไปนั่นว่ตรงนั้นสวยตรงนี้งามอะไรต่ออะไรขึ้นมาเกิดความกำหนอยินดีขึ้นปรับออวบัตุลใจตั้งแต่บ้านเอวลงไปปรับอวบัตุกกดมันเพ็นงันนะอย่าไปเข้าใจว่า อ, า ว, อ, า ว, อาวบัตทางใจไม่มีมีอยู่ เพราะฉะนั้นเราต้องรู้เราต้องเข้าใจความเป็นนักบวชของตนผู้เป็นครหัส่ก็เหมือนกันนะต้องนึกว่าเราเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราต้องปฏิบัติตามวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญตัติไว้ นั้นอย่างเ ค, งคเส่งคัดเราิ่งจะพ้นจากนรกอบายภูมินี่ก็ต้องสอนตนเข้าไปอย่างนี้ล้วเป็นครือข่ายพอีไม่ใช่ว่าเป็นครือหัาแล้วเราจะทำอะไรก็ทำได้ไม่เหมือนนักบวชไม่ใช่อย่างนั้นนี้มันต้องเลือกทำมเพราะว่าของในโลกอันนี้น่ะลองสังเกตดู่ะ มีทั้งของดีมีทั้งของเลวไม่ใช่ว่าดีทั้งหมดไม่ใช่เลวทั้งหมดผลเปกันอยู่นั้นเลยทั้งสองอย่างนี้อันนี้ฉันไดก็อย่างนั้นแหละความประพฤติของคนเราเนี่ยมันมีใจเป็นประธานค้าวใดใจเป็นอกุศล มันก็แสดงออกทางกายทางวาจาไปในทางเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนี่เนี่ว่าจิตเป็นอกุศลเป็นปอย่างนั้นคราวใดจิตเป็นกุศลเปลี่ยมไปด้วยเมตตากรุณามันก็แสดงออกซึ่งความช่วยเหลือเกือ้อกูลแก่บุคคลอื่นและสัตว์อื่นอไม่เบียดเบียนนั่น มันเป็นอย่างนี้ชีวิตของคนเรานี่นะหรือว่าพูดถึงดวงจิตโดยตรงมันมีทั้งดีมีทั้งชั่วอยู่ในดวงจิตอันเนี้ยดังนั้นนะ่ะพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้ภาวนาคัดเลือกอารมณ์ของจิตเนี่ยอันใดที่เป็นความคิดความเห็น เป็นไปทางบาปอาคุศลแล้วกําหนดละทิ้งไปเลยอไม่คิดไม่ปรุงแต่งมันต่อไปหรือว่าความคิดอันใดมันเป็นไปเพื่อความรักความใคร่ความโกรธความพยาบาทต่ทางๆหมดนี้นะเป็นความคิดที่เป็นอคุสนนะเราต้องพยายามกําหนดใจละเรื่อยไป แล้วก็ไม่สร้างมันขึ้นมาต่อไปอีกความคิดอันใดซึ่งประกอบไปด้วยเมตตาการุณาคิดช่วยเหลือเกือ้อกูลเงด้วยผู้อื่นด้วยให้พ้นจากทุกข์จากภัยในสงสารไม่คิดล้างพรานเบียดเบียนใครไอ้อย่างนี้เป็นความคิดจะเป็นกุศล เดี๋ยวคิดอีกอย่างหนึง่งเป็นความดำริที่ว่าทชาชะในหนอเราถึงจะพ้นจากอำนาจแห่งกามมาตัตนหาอันนี้ไปได้ทชาชะในหนอเราจึงจะพ้นจากลูกปตัตนหาต่างๆโมนี่ดำริเข้าไป เพราะรูกกายอันนี้เนะ่ะมันเป็นของไม่เที่ยงถ้าจิตยังผูกพันมันอยู่สราบใจแล้วมันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนี้แหละอย่างปัจจุบันนี้เองเนะอามาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงนะมันก็เป็นทุกข์ทนทรมานอยู่อย่างนี้แหละต้องได้เลี้ยงต้องได้ปนปือมันถึงจะเลี้ยงหรือปนปือมันเท่าไหร่มันก็ยังไม่เที่ยงอยู่นะเนี่ยมันยังแปรปวนไปอยู่ ดังนั้นนะมันถึงได้เป็นทุกข์ละดวงขีดดวงเนี้ยก็มาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงนี้แหละต้องเพ่งพิจารดูรูปกายอันนี้ให้จนเกิดดิพิทาความเมื่อได้บุคคลผู้ที่ขาดความเชื่อความเลื่อมใสในธรรมะคำสอนของพระเถรเจ้า ไม่ควบคุมจิตใจไม่ทําความพอใจยินดีอยู่ในธรรมะไปยินดีอยู่ในทางอธรรมสิ่งที่ไม่เป็นธรรมนั่นอย่างนี้นะมันก็ขาดจากกุศลคุณงามความดีสิบันนี้เหมือนอย่างสายว่าวมันขาดนั่นแหละเมื่อสายมันอยู่ข้างล่างมันขาดแล้วนี้มันก็ไม่มีอะไรจะมาดึงว่าวนั้นไว้ได้ สุแล้วแต่ลมมันจะพัดไปยังไงทางใดมันก็ไปทางนั้นนี่ว้าว่ะไอ้จิตใจคนเรานี่ก็เป็นเช่นนั้นหละถ้าหากว่าไม่ฝึกให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นไม่สามารถจะสอนตนได้อย่างนี้นะชีวิตนี้มันก็ขาดจากความสุขความเจริญขาดจากปัญญาญาณความรู้ยิ่งเห็นจริง ในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เราเกิดมาพบศาสนธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็จริงอยู่แต่ว่าคนบางคนบางพวกกันไม่พอใจไม่เลื่อมใสหากแต่ว่าปฏิญญาตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นดีพึ่งอยู่นันแล้วนะแต่เมื่อจะโน้มธรรมะคาสอนเข้ามา ทูจิตใจจริงไม่เอาไม่สูอ้อย่างนั้นแหละเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วชีวิตมันก็ยอมหมือหมองอยู่ด้วยอุปกิเลสกิเลสมันก็ยอมครอบงำเอาคนเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะุทธบริษัทย่าพากันประมาท เพราะชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของแน่นอนเราจะอยู่โรคนี้ไปไม่ได้นานนี้เดี๋ยวก็ตายกันร่างกายนี้ก็ต้องกองอยู่พื้นแผ่นดินนี้ดวงจิตก็ไปตามยถากรรมสุดท้ายจะใครทำดีทำชั่วไว้อย่างไรกรรมดีกรรมชั่วมันก็นำดวงจิตนี้ไปท่านผู้ใดละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้ว ท่านผู้นั้นก็เข้าสู่พระนิพพานหรือท่านละกิเลสให้ขาดไปได้โดยเอกเทศเมื่อดับขันบันไดแล้วท่านก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ในตำราท่านกล่าวไว้อะพระโสดาบันนี่ชอบไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต ท, ท่านที่คนมีบุญมากไปเกิดกัน ดังนั้นพระโสดาบันนี่ถือว่าเป็นผู้มีบุญมากทีเดียวอ่ะเมื่อไปเกิดอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตท่านก็เพียรพยายามบำเพ็ญ